มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาสัตมวักวัศสะสตะปัญหาที่สองถามว่า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 ก็มิอาจจะลอยอยู่เหนือหลังน้ําได้หรือว่าศิลาน้อยนั้นจะลอยอยู่ได้ณนะบ่อพิษพระราชสมพาน์พระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าณหิพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าศิลาน้อยตกน้ําจะลอยอยู่หา ม, ไมิได้พระนาคเษนจึงซักถามต่อไปว่ามหาราชา